การฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมานั้นจำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือผู้ฟังต้องเป็นผู้ที่มีสินบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสินห้าสินแปดสินสิบ หลเนสองรอยยี่สิบเจ็ดจิตใจก็ต้องสงบตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันปราศจากความคิดปรุงแต่งจิตใจต้องมีสมาธิไม่คิดอะไรในขณะที่ฟังมีความตั้งใจมีสติตั้งรับ เสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วพิจารณาด้วยปัญญาถ้าผู้ใดมีคุณสมบัติเหล่านี้และธรรมของผู้ที่แสดงเป็นธรรมแท้ธรรมจริงผู้ฟังย่อมบรรลุ มากผลขั้นต่างๆได้อย่างแน่นอนอย่างในสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนผู้ฟังส่วนใหญ่ในยุค แ, แรกๆนับตั้งแต่การแสดงพระปฐมเทศนาโปรดให้แก่พระปัญจวคี ล้วนเป็นนักบวชทั้งนั้นคือเป็นผู้ที่ได้สละเรือนได้ทำทานสละสมบัติต่างๆไปหมดแล้วแล้วก็ออกมาอยู่แบบนักบวชรักษาศีลให้บริสุทธิ์และเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนจิต รวมเข้าสู่ความสงบสักดาวรู้ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับปัญญาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มาก่อนพอได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวถ้าผู้ฟังมี ปัญญาบารมีพอสามารถพิจารณาตามได้ก็จะบรรลุธรรมได้อย่างพระอัญญาณโกนทัญญาท่านเป็นหนึ่งในห้าของพระปัญญาวิคีที่มีปัญญาแก่กล้ากว่าพระปัญญาวิคีอีกสี่รูปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง อริยสัจสี่ได้ทรงแสดงมักแปดพระอัญญาณโกนธัญญาก็บรุษทำขั้นแรกคือบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่คือสิ่งที่เกิดได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตผู้ที่ฟังก็ต้องมีปัจจัยพร้อมที่จะรับ ธรรมของผู้ผู้ที่แสดงและธรรมของผู้ที่แสดงก็เป็นธรรมที่ต้องออกมาจากใจเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติถึงจะเป็นธรรมแท้ถ้าเป็นธรรมที่จดจํามาจากการได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ทมที่แสดงออกมานั้นจะไม่เป็นธรรมแท้ผู้ฟังจะไม่สามารถบรรลุผลขั้นต่างๆได้แต่ในยุคนั้นเป็นยุคที่ผู้แสดงธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้บรรลุธรรม ที่เกิดจากการปฏิบัติของพระองค์เองเป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นธรรมที่ดับความทุกข์ได้พอนำเอาธรรมที่ได้ดับความทุกข์ของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนาะที่อยากจะดับความทุกข์ พอได้ยินได้ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบก็จะบรรลุผลขึ้นมาได้การแสดงธรรมที่พทธเจ้าทรงโปรดให้กับพระปัญจวัคคีย์นี้ทรงแสดงอยู่ประมาณสักสองสามครั้งด้วยกันครั้งสุดท้ายก็ทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา ธร ท, ที่ทรงแสดงที่ทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็คือพระอนัตตลักษณสุตตะก็ทรงแสดงว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา พอทรงแสดงความจริงอันนี้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนพอผู้ฟังน้อมนำเอาไปพิจารณาก็เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นก็ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่มีตัณหาความอยากให้ขันห้าเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดพอปล่อยวางได้หมดใจก็หลุดพ้น ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาพร้อมกันทั้งห้ารูปเลยทีเดียวนี่คือผลที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่มีธรรมแท้และฟังด้วยศีลด้วยสมาธิหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งมุ่งไปสอนพวกนัก บ, บวชในลัทธิต่างๆ มีครั้งหนึ่งทรงสแสดงให้กับนักบวชมีจำนวนถึงห้าร้อยรูปด้วยกันพอหลังจากที่ได้สแสดงทำเสร็จก็ปรากฏว่าบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อยรูปเลยนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำได้ ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนไม่ปรากฏมีพระอาหารหันตสาคกแม้แต่รูปเดียวไม่มีมาเป็นเวลาอันยาวนานตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญก็ไม่มีพระอาหารหันต์ตาคกมาเป็นผู้สั่งสอนให้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาด้วยพระองค์เอง คนคว้าหาความจริงด้วยพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็ได้พบสัจธรรมความจริงสี่ประการก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่มีอยู่ในพระทยของพระ อ, องค์และมีอยู่ในใจของสัตว์โลกแต่ไม่เคยหันกลับเข้ามาดูสัจธรรมความจริงอันนี้ถูกความหลงหลอกให้ไปดูสิ่งต่าง ายนอกให้ไปหลงดูลาบยศสรรเสริญดูรูปเสียงกลิ่นรสสวดศพระดูรูปเวทนาสัญญาสังการไม่ได้ดูที่ใจไม่ได้ดูตัวที่กำลังสร้างความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้ดูตัวที่จะมาดับความทุกข์ออกไปหาความออกไปหาวิธีดับความทุกข์ภายนอก หาไปจนวันตายก็จะไม่มีวันเจออย่างมนุษย์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พวกเราทำอะไรกันพวกเราก็หาวิธีดับความทุกข์กันทั้งนั้นแต่เราไม่ได้หาวิธีดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราแล้วเรากลับไปหาวิธีดับความทุกข์ที่อยู่ภายนอกกันเช่นการไปหาความสุข ในรูปแบบต่างๆนี้ก็เป็นการดับความทุกข์ของพวกเรานั่นเองเราอยู่บ้านเฉยๆเยบื่อหน่ายหงดเหงิ ด, ดว้าเหวเศร้าซ้อยง่อยเงาเราก็เลยต้องออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกเพื่อมาดับความว้าเหวความเศร้าซ้อยง่อยเงาความหงุดหงิด ความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจด้วยการกระทําต่างๆกับสิ่งต่างๆภายนอกเช่น mm hmm. เราก็ไปหาความสุขกับการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผธพะไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปสัมผัสกับร่างกายของผู้อื่นนี่เป็นการดับความทุกข์ที่ ไม่ถูกจุดคือไม่ได้ไปดับที่ต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์อยู่ภายในใจและวิธีที่จะดับความทุกข์ก็อยู่ที่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกความทุกข์ของเราจึงไม่เคยดับไปอย่างถาวรดับไปเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ วิธีดับความทุกข์ของพวกเรานี้เป็นเหมือนกับเทน้ำมันลงเข้าไปในกองไฟน้ำมันเวลาที่เราเทลงเข้าไปในกองไฟใหม่ๆนี้มันไม่ร้อนมันก็ทำท่าจะดับให้ทำให้ไฟดับแต่พอน้ำมันได้สัมผัสกับความร้อนของไฟก็ร้อนขึ้นมาพอร้อนขึ้นมาถึงจุดที่จะประทุ ก็ปะทุเป็นไฟใหญ่ขึ้นมาใหญ่กว่าไฟเดิมที่ติดอยู่เสียดวยซ้ำไปนี่คือวิธีดับความทุกข์ของพวกเราพวกเราดับความทุกข์ด้วยการสาดน้ำมันเบนซิน ล, ลงไปในกองไฟกองไฟแห่งความทุกข์ของเราเราดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางตาหูจมูกล่้งกาย ด้วยการไปหาราบยศสรรเสริญเพื่อที่เราจะได้มีการมีความสามารถในการที่เราจะเสพความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายได้อย่างไม่มีขอบไม่มีเขตต่อให้เราได้เสพมากน้อยเพียงไรเราก็จะได้ความสุขหรือระงับความทุกข์ชั่วข่าวชั่วขณะที่เราได้เส เกินเราไม่สบายใจหดงดหงิดตำคานใจเราก็ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูมหรสพไปดูการบันเทิงต่างๆความทุกข์ความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวพอเรากลับมาจากการที่เราไปหาความสุขต่างๆความสุขเหล่านั้นก็จะจางหายไป แล้วเราก็จะกลับมาหงุดหงิดนำคาญใจวุ่นวายใจเหมือนเดิมเพราะการดับความทุกข์ใจของพวกเรานั้นไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์ใจที่ถูกต้องนั่นเองเราไปเทน้ำมันลงกองไฟแทนที่จะเทน้ำลงกองไฟถ้าเรามีน้ำเราเทเข้าไปในกองไฟไฟก็ต้องดับ แล้วก็ดับอย่างสนิทจะไม่มีวันปะทุขึ้นมาใหม่ได้วิธีดับน้ำดับไฟด้วยด้วยน้ำก็คือต้องดับด้วยสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบนั่นเองก็คือมรคมรคนี้เป็นอรยิยสัจข้อที่สี่อริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือทุก ทุกข์ก็คือความไม่สบายใจความหงุดหงิดนาคาญใจความว้าเหวความสร้อยเศร้าหงอยเหงาความเบื่อหน่ายความเศร้าโศกเสียใจความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าทุกข์และพระองค์ได้ทรงค้นพบว่าเหตุของความทุกข์เหล่านี้ก็คือสมุ ท, ทยัยสมุทัยนี้ ภาษาบาลีแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ท่านก็แสดงว่าต้นเหตุของความทุกข์นี้มีอะไรบ้างก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือความอยากในกามเรียกว่ากามตัณหากามก็คือกามคุณห้าอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุัะอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากดมกลิ่น อยากลิ้มรสอยากจะสัมผัสกับสิ่งที่ที่ทางร่างกายสามารถจะสัมผัสได้เช่นหนาวร้อนแข็งนุ่มเป็นต้นพอเกิดความอยากแล้วก็จะทำให้ใจหงรธเกลดนำคานใจขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขจำเป็นจะต้องบายเสพคนที่อยากจะสุบรี ก็ต้องไปสูบบุหรี่ถึงจะหายจากความหงุดหงิดคนที่อยากจะดื่มสุราก็ต้องไปดื่มสุราคนที่อยากจะดื่มกาแฟก็ต้องดื่มกาแฟคนที่อยากจะไปนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องไปนอนกับคนนั้นคนนี้ถึงจะสามารถทําให้ความหงุดหงิดลำคาญใจความ ว, าว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงา นั้นคลายไปได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ได้ดับได้อย่างถาวรขณะที่ได้เสพได้สัมผัสก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอผ่านไปความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วไม่นานก็เกิดความเศร้าส้อยงอยเหงาความว้าเวกับพล้นขึ้นมาใหม่ก็ เ, เกิดความอยากที่จะเสพ รูปเสียงกลิ่นรถโผฏฐพะอีกก็ต้องไปเสพใหม่อีกนี่ก็จะเป็นวัฏจักรของการแก้ปัญหาที่ไม่มีวันจบสิ้นเกิดปัญหาขึ้นมาก็แก้แก้เสร็จปัญหาใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาปัญหาใหม่ก็คือความอยากใหม่พออยากก็ทำตามความอยากพอทำตามความอยากความทุกข์ใจก็หายไปชั่วคราว แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาใหม่อีกก็ต้องไปทําตามความอยากอีกนี่คือวิธีของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายได้กระทํากันมาอย่างโชคชนไม่เฉพาะแต่ชาตินี้ภพนี้เท่านั้นเคยทําอย่างนี้มาทุกภพทุกชาติในอดีตที่นับไม่ถ่วนมาแล้ว แล้วก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดภพชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายจึงมีมาอย่างต่อเนื่องและจะมีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะได้มาได้ยินได้ฟังถึงสัจ ธ, ธรรมสีประการนี้คือพระอาริยสัจสี่ว่า ความทุกข์ใจของพวกเรานั้นเกิดจากตัณหาความอยากกามตัณหานี้เป็นอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอย่างที่สามก็คือวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากมีอยากเป็นก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมีเกียรติมีหน้ามีตา ความจริงคนเราทุกคนนี้เกิดมาก็มีเพียงร่างกายเหมือนกันหมดแต่เรามาเกิดในโลกสมมุติที่เขามีการสมมุติให้สูงให้ต่ำให้เล็กให้ใหญ่ตามแต่สมมุติที่เขาจะกําหนดไว้เช่นผู้ที่ได้มาเกิดเป็นบุตรของพระราชามหากษัตริย์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสูงส่ง ผู้ที่เกิดเป็นลูกของเขาทานก็ถือว่าเป็นผู้ต่ําต้อยผู้ที่ต่ําต้อยก็อยากจะมีหน้ามีตาอยากเป็นใหญ่เป็นโตเพราะรู้สึกว่าจะมีความสุขมากกว่าการที่จะเป็นผู้ต่ําต้อยก็คืออยากจะหนีจากความทุกข์นั่นเองก็เลยเกิดภาวะตัณหาขึ้นมาความอยากมีอยากเป็น อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีเกียรติอยากเป็นผู้ที่มีคนยกย่องเชิดหน้าชูตาเคารพนับถือเมื่อเกิดความอยากก็ต้องดิ้นร น, นถ้ามีอยู่แล้วก็ต้องดิ้นร น, นกับการดูแลรักษาสถานภาพไว้แล้วถ้ายัางไม่พอใจถ้าอยากจะได้สูงกว่านั้นก็ต้องดิ้นหาวิธีไต่เต้าตขึ้นไป การเล่นการที่จะต้องตายเต้าเพื่อให้ได้ขึ้นสูงขึ้นไปตามลาดับก็ทําให้จิตใจนั้นต้องวุ่นวายต้องพวักพวบนต้องตะเกียบตะกายต้องต่อสู้อุปสรรคต่างๆนาน า, นาที่จะขัดขวางไม่ให้ได้สิ่งที่ตัว อ, อยากได้พอได้ก็เกิดความโลภอยากจะได้สูงขึ้นไปมากขึ้นไปอีก พอไม่ได้ก็เกิดความเสียใจก็เป็นความทุกข์ทั้งสองส่วนได้มาแล้วก็สุขเดียเดยดเด๋ยวเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวเช่นได้เลื่อนขั้นจากนายร้อยเป็นนายพันก็ดีออกดีใจเลี้ยงฉลองกันยังไม่ทันเสร็จก็เกิดความอยากจะเลื่อนขึ้นไปเป็นนายพลแล้วก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนี่คือวัตถจักรของความอยากกับความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้น ที่เกิดจากภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นส่วนวิภาวะตันหาก็คือเป็นการความอยากในรงในทางตรงกันข้ามคืออยากไม่เป็นอยากยังไงอยากไม่เป็นอะไรก็อยากไม่เป็นคนต่ำต้อยอยากไม่เป็นคนจนอยากไม่เป็นคนแก่อยากไม่เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่เป็นคนตาย ก็ต้องดิ้นอนกันต่อสู้หนีความยากจนกันต่อสู้หนีความต่ำต้อยกันต่อสู้หนีความแก่ความเจ็บความตายกันแต่ความเจ็บความตายนี่หนียังไงก็หนีไม่พ้นก็จะต้องทุกข์ต้องเครียดเวลาที่จะต้องเจอความแก่เวลาที่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาที่เจอความตาย พอตายไปก็ไปเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากเสีกามตันหาภาวตันหาวิภาวะตันหาอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเป็นรอบรอบรอบของการเกิดแก่เจ็บตายส่วนพวกชาติที่จะได้ในแต่ละรอบนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้รอบไหนบุญมีกำลังมากกว่าก็ได้พาให้ไปเกิดในภพที่ดี รอบไหนที่มีบาปมีกำลังมากกว่าก็เดิงให้ไปเกิดในภพที่ไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้ไปสลับกันไปสลับกันมาขึ้นๆลงๆจนกว่าจะพบมัคคือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้สรงคนพับสรงคนพบมัค ก, ก็คือวิธีการที่จะดับความทุกข์ภายในใจมัคนี้ก็อยู่ภายในใจกิเลส คือสมุทยัยคือความอยากต่างๆก็อยู่ภายในใจ เ, ออเพราะฉะนั้นเราต้องดับความอยากด้วยสิ่งที่มีอยู่ภายในใจไม่ได้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือจากข้างนอกมาดับเช่นไม่ได้ไปเอามีดไปเอาปืนมาดับความอยากดับไม่ได้อย่างคนโง่บางคนเวลาเกิดความทุกข์ใจก็เอายาพิษมาดับที่ร่างกายคิดว่าการฆ่าร่างกายแล้ว จะทําให้ความทุกข์หายไปความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายและความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์มันอยู่ที่ใจเหตุก็อยู่ที่ใจคือความอยากเช่นคนอยากฆ่าตัวตายเพราะเคยมีอะไรเคยร่าเคยรวยเคยมียศถาบรรดาศักดิ์แต่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปอยากจะได้คืนมา แต่ไม่สามารถเอาคืนมาได้ก็อยู่อย่างทุกข์ทรมานใจก็เลยต้องฆ่าความทุกข์ทรมานใจนี้ด้วยการฆ่าตัวตายแต่เวลาฆ่าตัวตายความทุกข์ที่มีอยู่ในตายอยู่ในใจมันก็ไม่ได้ตายมันก็พาให้ไปอยู่ในนรกนั่นเองอยู่ในที่มันร้อนที่เกิดจากความทุกข์ ที่อยากจะฆ่าตัวตายที่อยากจะให้สิ่งต่างๆที่ดีที่ตนรักที่ตนชอบกลับคืนมาอันนี้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจต้องดับที่ความอยากวิธีที่จะดับความอยากก็ต้องใช้มรคคาสอนของคือใช้มรค ก, ก็คือสติปัญญาสมาธิที่เป็นเครื่องมือหลักของการดับความทุกข์ต่างๆ สมาธิก็คือการทำใจให้นิ่งให้สงบ่นเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปถ้าเราทำใจให้สงบทำใจให้เฉยได้เราก็จะไม่ทุกข์แต่มันก็จะไม่ทุกข์ชั่วขณะที่เราทำใจให้สงบพอเราออกจากความสงบมาพอเราไปคิดถึงเรื่องที่เราสูญเสียไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่ เราอยากจะดับความทุกข์ใจอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือเราต้องมองเห็นตายรักณตายรักษ์แปลว่าคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆที่เราลักไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือข้าวของต่างๆล้วนมีคุณสมบัติสามประการนี้คือมีตายรักษมีอนิจจังคือความ ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับสอเป็นความทุกข์ถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าไปอยากไม่ให้เปลี่ยนแปลงเช่นถ้าเราร่ำรวยก็อยากจะให้ร่ำรวยไปตลอดไม่ให้ยากจน ถ้าเราเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะให้เป็นใหญ่เป็นโตไปตลอดไม่ให้ตกตำ่ำแต่มันมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆที่สามารถที่จะทำให้การที่เป็นคนร่ำรวยนี้กลายเป็นคนจนได้การที่ทำให้คนเป็นใหญ่เป็นโตกลายเป็นคนเล็กลงได้ซึ่งเราก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาอยู่เรื่อยๆ เป็นอนิจจังถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความทุกข์ใจที่ไปยึดไปติดก็ เ, เพราะไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นว่าของต่างๆมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถครอบครองไว้ได้ตลอดเวลาต้องมีเวลาที่เขาจะต้องจากเราไป นี่คือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้โดยเฉพาะสิ่งที่พวกเราหลงยึดหลงติดหลงรักหลงชอบกันก็คือลาบยศดสรเสรินและรูปเสียงกลิ่นรสพุทพะนี้เองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสอนใจให้ปล่อยวางให้ยอมรับความจริงว่ามีเจริญต้องมีเสือ่อม มีเจริญราบก็มีการเสื่อมราบได้เป็นธรรมดามีการเจริญยศย่อมมีการเสื่อมยศได้เป็นธรรมดามีสรรเสริญย่อมมีนินทาได้มีความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายได้ก็มีความทุกข์ทางตาหูจมูกริ่นกายได้ถ้าเราศึกษาแล้วสอนใจอยู่เรื่อยๆ ใจของเราก็จะปล่อยวางทางภาษาโลกก็เรียกว่าปรงปรงว่าไม่มีอะไรแน่นอนพร้อมที่จะรับกับความจริงอันนี้ถ้าเราพร้อมที่จะรับความจริงโปรงได้ปล่อยได้เราก็จะหยุดความอยากให้สิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบนั้นไม่เปลี่ยนแปลงได้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับการเจริญยอมรับการเสื่อมพอเรายอมรับใจของเราก็จะไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาพอไม่ผลิตความทุกข์เราก็ได้ดับความทุกข์การดับความทุกข์ในภาษาพระท่านเรียกว่านิโรดนิโรดก็เป็นสัจ ธ, ธรรมข้อที่สามอริยสัจข้อที่สามที่เป็นผลเกิดจากการเจริญมาเกิดการใช้มา เกิดการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นตายรักนั่นเองถ้าเห็นตายรักแล้วใจจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ทุกข์กับลาบยศสารเสริญไม่ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่ทุกข์กับขันห้าที่ใจเป็นผู้ครอบครองอยู่ในขณะนี้ขันห้าก็คือรูปรูปก็คือร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆ มีอยู่สามประการสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่มีการเจริญมีการเสื่อมเพราะเป็นอนิจจ์ที่เราไม่สามารถที่จะสั่งให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรียกว่าอนัตตาถ้าเราไม่ไปยึดไปติดกับเขารู้ทันเข้าใจเขาแล้วปล่อยเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขานี่คือเรื่องของ ปัญญาที่เป็นองค์มรรคองคสำคัญที่สุดของมรรคคือปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้จะเป็นปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้ให้ความการสนับสนุนคือปัญญานี้เป็นเหมือนกับคนที่จะคนที่ถือมีดจะฟันต้นไม้แต่ถ้าไม่มีเรียวมีแรงก็จะฟันต้นไม้ไม่ได้ ต้องพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารให้มีกำลังวังชาแล้วค่อยออกไปทำงานการพักผ่อนหลับนอนของใจเรียกว่าสมาธิพอใจมีสมาธิแล้วพอออกมาเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ก็จะสามารถหยุดความอยากที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ และสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้นำทางสมาธินี้ต้องมีสติเป็นผู้ช่วยทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาเพราะการที่จะเกิดสมาธิได้ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆความคิดปรุงแต่งต่างๆจะหยุดได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้หยุดเหมือนกับรถยนต์รถยนต์นี้จะหยุดได้ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะไม่หยุด จะวิ่งไปเรื่อยๆฉันใดใจก็จะคิดไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะสงบได้อย่างใจของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติทั้งหลายผู้ที่ไม่เคยเจะเริ่มสติทั้งหลายจะไม่เคยสัมผัสกับการความสงบของใจเลยเพราะไม่มีเบรกตั้งแต่เกิดมานี้มีแต่รู้จักคิดอย่างเดียวถ้าขับรถก็รู้แต่เหยียบคันเร่งอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักเหยียบคันเบรก พราไม่รู้ว่ามีมีเบรกไม่มีใครสอนให้เบรกกันมีพระพุทธเจ้านะที่รู้วิธีเบรกใจหยุดใจให้ใจสงบให้ใจได้พักผ่อนให้ใจได้เติมอาหารเติมพลังเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ปัญญาในการทำลายตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ดันั้นผู้ปฏิบัติจึงจําเป็นต้องเจริญสติก่อนสติจึงเป็นธรรมทีพ่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดเป็นกุญแจดอกแรกดอกแรกที่จะพาให้เราเข้าสู่ประตูหรือเข้าสู่ห้องห้องอันแรกคือห้องของสมาธิได้เข้าไปพักผ่อนหลับนอนพอได้พักผ่อนหลับนอนเราก็จะได้กุญแจดอกที่สอง ที่จะเปิดเข้าไปสู่ห้องของปัญญาเข้าไปให้เราได้เห็นตายลักษ์ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาได้เห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจของเราพอเราเห็นอริยสัจสี่เวลาเกิดความทุกข์เราก็จะเห็นทันทีว่าเกิดจากความอยากของเรานี่องไม่ได้เกิดจากใครอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่เราจะไปโทษคนอื่นเสียมากกว่า เวลาเราเกิดความอยากแล้วเราไม่ได้ทําตามความอยากเพราะมีคนนั้นขัดขวางคนนั้นห้ามไม่ให้เราทําเราก็จะไปโกรธคนที่มาขัดขวาง ม, มาห้ามไม่ให้เราทำแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราต้นเหตุของความทุกข์ใจอยู่ที่ความอยากเพราะถ้าเราไม่อยากต่อให้เขาห้ามหรือไม่ห้ามเราก็จะไม่ทุกข์เช่นเราไม่อยากจะสูบบุหรี่ แล้วมีคนมาห้ามหรือไม่ห้ามเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่สูบอยู่ดีแต่พอเราสูบแล้วมีคนมาห้ามไม่ให้เราสูบเราก็จะโกรธคนที่มาสูบมาห้ามไม่ให้เราสูบแล้วเราก็จะไปแก้ที่คนที่มาห้ามเราว่าเขาด่าเขาขอร้องเขาว่าอย่ามายุ่งปล่อยให้เราอยู่ตามเรื่องของเราอตานั่นมันไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ เรามทุกข์ใจอยู่ที่ความอยากสูบบุหรี่ต่างหากถ้าเราหยุดความอยากสูบบุหรี่ได้เราจะไม่มีความทุกข์ใจจะมีสูบหรือไม่มีสูบจะมีใครห้ามหรือไม่มีใครห้ามไม่เป็นปัญหาทางนั้นปัญหาอยู่ที่ความอยากที่เรามองไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้มีสมาธิเพราะเวลาเราไม่มีสมาธินี้ใจเราจะหันออกไปข้างนอกหันไปหาบุหรี่แต่ถ้าใจเราอยู่ข้างใน เราจะใจเข้าสมาธิใจจะหันกลับเข้าข้างในพอหันกลับเข้าข้างในก็จะเห็นทันทีเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจาก็จะลุกใจก็จะร้อนขึ้นมาทันทีแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดว่าการทำตามความอยากมันไม่ได้ทำให้ความทุกข์ดับไป แต่เป็นการต่ออายุของความทุกข์ให้ยืดยาวต่อไปพอสอนใจอย่างนี้ใจก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากความทุกข์ภายในใจก็หมดไปนี่คือมรรคที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาบาเพ็ญมาสร้างกันขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกข์สมุทยัยนิโรธนะร ที่แสดงอยู่ในใจของเราตลอดเวลาส่วนใหญ่มันจะแสดงแตส่สองส่วนแรกคือแสดงทุกข์กับสมุทยัยไม่ก่อยแสดงมรรคกับแสดงนิโรธกันเท่าไหร่ใจของเราจึงร้อนอยู่ตลอดเวลาหาความเย็นไม่เจอถ้าเย็นก็ไม่ได้เย็นด้วยมรรคแต่เย็นด้วยตัณหาอีกแหละคือการทำตามความอยาก พอใจไม่สบายก็เกิดความอยากที่จะดับความทุกนี้ด้วยการไปซื้อของซื้อข้าวต่างๆไปเดินช็อปปิ้งเสียงเงินสักหน่อยได้ข้าวได้ของมาความทุกข์ใจก็หายไปชั่วข่าวพอกลับมาบ้านมาก็มาเจอปัญหาเดิมความทุกข์ก็กลับคืนขึ้นมาอีกเพราะเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายเหตุเหมือนกับหมอที่รักษาโรค ไม่แก้ที่ต้นเหตุให้แต่ยาแก้ปวดคนไข้บอกเป็นไข้ปวดศีรษะก็มีแต่ให้ยาแก้ปวดไปรับประทานไม่วิเคราะห์ว่าเหตุของไข้นั้นเกิดจากอะไรถ้าวิเคราะห์ว่าเกิดจากการติดเชื้อถ้าให้ยาฆ่าเชื้อเสียพอเชื้อถูกทําลายไปหมดไข้มันก็จะหายไปเองแต่ถ้าให้แต่ยาแก้ไข้แก้ปวดมันก็จะระงับแก้ไข้ อาการไข้อาการปวดไปชั่วระยะหนึ่งพอฤทธิยาหมดก็ต้องกินยาแก้ไข้แก้ปวดไปก็จะกลายเป็นติดยาไปต้องกินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆแต่เหตุที่ทําให้ปวดของคนส่วนใหญ่ก็คือความทุกข์ใจนี่เองคนเราสมัยนี้อยู่ในโลกที่มีแต่ความเครียดมีปัญหามีความกดดันต่างๆมากมายทําให้จิตใจเกิดความเครียดไม่สบายใจ ก็เลยแสดงออกมาทางร่างกายออกมาทางศรีรษะบ้างทางอวัยวะต่างๆบ้างพอไปหาหมอหมอวิเคราะห์ก็ไม่เห็นมีชื้ออะไรก็เลยให้กินยาแก้ปวดหรือบางทีก็ไม่ไปหาหมอพอรู้ว่าปวดก็หายาแก้ปวดมารับประทานยาแก้ปวดก็ระงับไปได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเพราะครั้งต่อไป ใช้ยาขนาดเดิมมันไม่หายต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพิ่มไปเรื่อยๆหรือต้องเปลี่ยนยาที่มีฤทธิ์ที่แรงขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นโรคติดยาไปเพราะไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้ไปแก้ความอยากถ้าแก้ความอยากแล้วความเครียดก็จะหายไปความทุกข์ก็จะหายไปผลกระทบต่อร่างกายในตามอวัยวะต่างๆมันก็จะหายไป นี่หละคือการที่เราไม่รู้ไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้สัจธรรมทำให้เราแก้ความทุกข์ที่ไม่ถูกที่เหมือนอย่างหลงตาท่านพูดว่าเกาที่เกาตรงที่มันไม่ขันมันขันตรงศีรษะไปเกาที่ที่ที่ท้ายที่ก้นอย่างนี้เกาไปยังไงมันก็ไม่หายขันใจของเรามันทุกทุกที่ใจมันไม่ได้ทุกขี่ร่างกายมันไม่ได้ทุกข์กับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ ใจมันทุกข์เพราะความอยากอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่มีมรรคเราไม่มีคนสอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครรู้มรรคอันนี้ไม่มีใครมีใครรู้จักอริยาาสัจสี ก็จะแก้กันไปแบบเดิ ม, ดมแก้ได้อย่างมากก็แค่ขั้นสมาธิเท่านั้นคือทำใจให้สงบเวลาไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธนั่งหลับตาพุทโธ ท, ทำใจให้สงบหยุดความคิดปรุงแต่งพอไม่คิดปรุงแต่งความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งก็จะหายไปชั่วคราวพอออกจากสมาธิมามาคิดใหม่ก็เกิด ความทุกข์ขึ้นมาใหม่นี่เป็นวิธีดับทุกข์ที่มนุษย์เราทั้งหลายได้ทำกันทำได้ขั้นสูงสุดแค่ขั้นสมาธิครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาสองรูปก็สอนได้เพียงระดับนี้สอนวิธีดับความทุกข์ด้วยการเข้าไปในฌานเข้าไปในรูปฌานเข้าไปในอรูปฌาน เวลาเข้าไปในรู ป, ปรชา ห, หรืออรู ป, ปรทานใจก็จะสงบไม่คิดปรุงแต่งความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งก็จะหายไปแต่พอออกมาก็เริ่มคิดใหม่ก็เกิดความทุกข์ใหม่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิกันพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าหาวิธีด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบ ปัญญาทรงคนพบอนิจจังทุกขังอนัตตาที่สัตว์โลกมองไม่เห็นกันผู้ที่ผู้ที่มีความทุกข์มองไม่เห็นกันมองไม่เห็นว่าสิ่งที่คิดว่าจะดับความทุกข์ให้กับใจได้นั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่แน่นอนเวลามีมันก็ดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งเช่นเวลาเราเดือดร้อนเรื่องเงินทอง พอเรามีเงินทองเราก็สบายใจในระยะหนึ่งพอเวลาได้เงินทองหมดเวลานั้นก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับให้เงินทองนั้นมีอยู่กับเราไปได้ตลอดทุกเวลาเราก็เลยเกิดความทุกข์กับเงินทองขึ้นมาอีกทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไม่พอก็มาทุกข์กับเรื่องที่จะมาแก้ความทุกข์อีก เพราะเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ความทุกข์ก็ไม่แน่นอนอีกมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมดไปได้อีกมันก็เลยไม่ได้เป็นการแก้ความทุกข์มันกลับเป็นการสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละคือวิธีการแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ใจของพวกเราที่ยังไม่ได้เข้าถึงพระอริยสัจสี่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้น้อมนำเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังถ้าเราน้อมเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังถ้าเราทำใจให้สงบได้จรรยาสติดึงใจให้กลับเข้าไปข้างในได้พอใจสงบแล้วใจจะเห็นการทำงานของอริยสัจสี่เพราะอาริยสัจสี่นี้อยู่ภายในใจเวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีใจจะเพิ่มขึ้นมาทันทีใจจะทุกข์ขึ้นมาทันที เหมือนกับน้ําน้ําในในในสระถ้าน้ําในสระมันมนิ่งนี้เราตัวปลานี่มันโผล่ขึ้นมาแป๊บหนึ่งเราก็จะเห็นน้ํากับเพื่อมแต่ถ้าน้ํามันไม่นิ่งตัวปลามันจะโผล่ขึ้นมากี่ครั้งเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างเพราะน้ํามันมีคลื่นอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็เป็นเหมือนน้ําในสระเวลาใจมันไม่นิ่งนี้ เวลาความทุกโผลขึ้นมาเวลาความอยากโผลขึ้นมานี้เราจะไม่เห็นความแตกต่างทอะไรเพราะใจเราทุกอยู่ตลอดเวลาเราเลยไม่รู้ว่าความทุกข์นี้มันเกิดจากใจของเราเองแต่พอเราทําใจให้สงบใจนิ่งนิ่งเหมือนน้ําที่มันนิ่งพอความอยากโผลขึ้นมาแป๊บนึ่งเจ้าน้ําก็จะกระเพื่อมใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีเหมือนโผเหมือนปลาที่ผุดขึ้นมาจากน้ํา นั่นแหละคือความจําเป็นของสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไม่มีวันเห็นอริยสัจสี่ได้อริยสัจสี่ที่เราได้ยินได้ฟังนี้ต่างกับอริยสัจสี่ที่เราต้องเห็นภายในใจของเราขณะนี้เราได้ยินได้ฟังอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่เรายังไม่เห็นตัวมันเราเหมือนกับได้ยินชื่อของขโมยเช่นตํารวจมาติดป้ายไว้ตามบ้านเราบอกว่าระวัง ช่วงนี้มีขโมยชื่อในายกรนขอนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้อยู่ทามบริเวณนี้ให้เรา m u s ระวางไว้เรายังไม่เห็นตัวจริงของมันเราเห็นแต่ป้ายเห็นแต่ที่เขาชื่อที่เขามาเขียนมาติดหรือรูปภาพของของขโมยของโจรอย่างนี้แต่เรายังไม่เห็นตัวเขาเพราะเราจะไม่มีวันเห็นเพราะว่าเราไม่ลืมตา เขาอยู่ในบ้านเราแท้ๆแต่เรากลับมองไม่เห็นเพราะเราไม่มองกลับเข้ามาในบ้านเราเรามัวแต่มองออกไปข้างนอกเราชอบมองไปที่ลาบยศสรรเสริญมองไปที่รูปเสียงกลิ่นลดผุดถั่พะมองไปในสิ่งต่างๆแล้วก็พยายามที่จะไปทําใจของเราให้หายจากความทุกข์ด้วยการไปจัดการไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เรามองเห็น เปลี่ยนยังไงจัดการยังไงมันก็ไม่ไปดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เพราะมันไม่ได้ไปไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรานี่เองเราจึงต้องเจริญสติดึงใจให้กลับเข้าข้างในพอดึงด้วยสติอย่างต่อเนื่องใจก็จะกลับเข้าข้างในได้สิ่งที่ดันใจออกไปก็คือ ความหลงนี้เองความหลงความอยากจะดันให้ใจออกไปหาสิ่งต่างๆเพราะหลงคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นเครื่องมือดับทุกข์เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับใจแต่ไม่รู้หรอกว่าเครื่องมือที่จะดับความทุกข์คือมักอยู่ภายในใจคือสติปัญญาสมาธิอยู่ภายในใจต้องกลับเข้ามาหาเครื่องมือแล้วพอมีเครื่องมือเราก็จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้ พอะเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์คือสมุทยัยก็อยู่ภายในใจเหมือนกันพอเรามีสติดึงใจกลับเข้ามาใจมีความสงบพอปิเลตตันหาความอยากทํางานปั๊บเราก็จะเห็นใจก็เพิ่มขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาแก้ได้ทันทีหยุดตันหาความอยากได้ทันทีแล้วต่อไป ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีภายในใจเราอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่เกิดความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจะมีปัญญาที่จะคอยทำลายความอยากได้ทุกครั้งไปนี่แหละคือวิธีการของการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าทรงดับได้อย่างราบคาบดับได้อย่างหมดสิน้นจนพระไทยของพระองค์นี้ ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยมีแต่ปาลมังสุขขังมีแต่บาลมัสุขและเป็นความสุขที่ถาวรเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ถาวรใจไม่มีวันตายฉันใดความสุขที่มีอยู่ในตายก็ไม่มีวันหมดฉันนั้นนี่คือมรรคผลต่างๆที่พวกเราจะได้รับกันจากการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะ ใช้ในการทราาําลายปัญหาต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ เ, ออเกิดจากการที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันในวันนี้ด้วยกายวาจาใจที่สงบเราฟังแล้วถ้าเราจิตใจไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ร่างกายของเราไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทําอะไรวาจาของเราไม่ได้พูดคุยกันทำทั้งหลายก็จะเข้าไปสู่ใจ และจะเป็นธรรมที่จะปลุกให้เกิดธรรมต่างๆขึ้นมาตามลาดับต่อไปเพราะเรายังต้องนาเอาไปปฏิบัติถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องเจริญสติถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องเจริญสมาธิถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ต้องเจริญปัญญาแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่แล้วพอเราได้ยินได้ฝั่งทำในขณะนี้ เราก็อาจจะบรรลุทำได้เลยจากการฟังนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการฟังจิตฟังเทศฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่า เท่ากับผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติสิ่งต่างๆในโลกนี้มีคุณประโยชน์เพียงชั่วคราวและก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้มีแต่คำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร <c oughs> ยะทาวาิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตชินางเปตานางอุปกัปติ อิทิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสาเพปเรนโตจังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันโตสาภโรโควินัสตุมาเตภาวตวันตระยยสุขีทิขายุโกภวา อาภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตรารโธรรมาวัทฐนติอายุวันโนสุขังภาลังใครที่ยังไม่ได้ถวายของหรืออยากจะเข้ามารับหนังสือธรรมะซีดีธรรมะก็ขอเชิญเข้ามาได้ใครอยากจะถามปัญหาธรรมที่จะ มีการถามตอบในลำดับต่อไปก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านไมโครโฟนเพื่อผู้ฟังจะได้ยินคำถามด้วยลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรถามคำถามที่ฝากมาในทางอินเทอร์เน็ต ต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เนต็ตนะคะคำถามแรกจากคุณาศาสินาเจริญสุขมีหนังสือบางเล่มเขียนว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่านี่คือทางสายเอกถ้านำไปปฏิบัติแล้วจะเป็นหนทางดับทุกข์และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นอย่างช้าจริงหรือเปล่าคะจริง คำถามข้อต่อไปจากคุณสุขสงบสบายโยมอยากทราบว่าควรจะใช้อุบายอย่างไรดีกับตัวเองความไม่อยากได้อยากมีไม่อยากแข่งกับใครแต่ทางกลับกันงานที่ทำกับชีวิตที่ต้องดำลงอยู่ต้องรู้สึกวางตัวไม่ถูกเหมือนคนร้อนลนขอพระคุณเจ้าเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ ก็เปลี่ยนงานใหม่ไปทำงานที่เราทำคนเดียวไปขายข้าวแกงไปขายขนมครกก็ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณอันโดอันนบอยากทราบว่าจะรักษาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยวิธีธรรมโอโสดมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับผู้ปฏิบัติผู้ที่เป็นคนไข้ต้องเป็นคนรักษาเอง ต้องเป็นคนที่สนใจที่อยากจะรักษาด้วยธรรมโอสถก่อนถ้าไม่มีความสนใจไม่มีความอยากจะรักษาคนอื่นไปสอนอย่างไรก็เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นขั้นแรกนี้ต้องถามคนไล้ว่าอยากจะรักษาด้วยธรรมโอสถหรือเปล่าถ้าอยากมันก็สอนเขาวิธีรักษาก็คือให้เจริญสติ ความซึมเศร้าก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองทําให้เกิดความซึมเศร้าขึ้นมาพอเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้ความซึมเศร้าต่างๆก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วถ้าอยากจะหายให้หายอย่างถาวรก็ต้องศึกต้องใช้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราให้ความสมหวังกับเราไปได้ตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของชั่วกราวเวลาที่มันไม่ให้ความสุขกับเราเราก็จะซึมเศร้าขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ไปผูกใจไปฝากความสุขของเราไว้กับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะไม่ซึมเศร้าเราก็จะอยู่กับความสงบของเราได้อย่างสบายคําถามข้อต่อไปจากผู้ฝากถามมานะคะ ข้อที่หนึ่งในหนังสือปฏิปทาของหลวงตาเขียนว่าตอนปูที่นอนให้หลวงปู่มั่นแทบจะเอาดินสอขีดตำแหน่งและมุมแต่ขนาดนั้นยังโดนหลวงปู่มั่นตำหนิแสดงว่าเวลาทำงานถวายครูบาอาจารย์นอกจากความเรียบร้อยแล้วระหว่างทำต้องมีสติกำกับตลอดใช่ไหมคะคือการที่เราไปรับใช้ครูบาอาจารย์ ด้วยการกระทำอะไรต่างๆนี้เป็นการฝึกสตินั่นเองเพราะครูบาอาจารย์นี้ท่านจะมีความเข้มงวดกวดขันกับการกระทำทุกอย่างทุกอย่างที่ทำนี้ต้องมีเหตุมีผลทำแล้วก็ต้องเรียบร้อยเหมือนกันทุกครั้งไปเวลาใดาที่ทำแล้วไม่เรียบร้อยไม่เหมือนกับทุกครั้งนี้ก็แสดงว่าใจเราลอยใจเราเผลอ บัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เราทำกิจวัตรทำงานต่างๆก็จะทำให้ไม่เกิดความ เ, าเรียบร้อยไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เคยกระทำพอทำอย่างนี้มันก็ส่สงผลฟ้องไปที่ครูบาอาจารย์แล้วว่าสติเราไม่มีแล้วท่านก็เลยต้องมาช่วยเราด้วยการ ทนิติเตียนเราขมขูเราบางทีถึงกับไล่ออกไปไม่ให้มาทําหน้าที่นี้ถ้าเราอยากจะทําหน้าที่เราก็จะต้องมีความระมัดระวังความระมัดระวังนี้ก็คือการเจริญสติดีๆนี้เอง <Yeah. S 1> ผู้ที่ได้รับโอกาสไปรับใช้ครูบาอาจารย์จึงมีโอกาสที่จะได้ฝึกสติเป็นอย่างมากพอก้าวเข้าไปสู่หน้าท่านนี้ใจมันต้อง อยู่กับปัจจุบันตลอดอยู่กับการเคลื่อนไหวทุกเก้าย่างเลยอยู่กับการเคลื่อนไหวของการกระทาอะไรต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วแล้วนอกจากมีสติก็จะได้ปัญญาท่านจะคอยสอนคอยแนะวิธีการกระทาอะไรต่างๆที่ถูกต้องที่เหมาะที่สมที่ควรอันนี้แหละที่ลูกศิษยลูกหาจึงอยากปนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์กัน เพราะถ้าอยู่ตามลำพังนี้จะไม่มีเหตุการณ์มาบังคับให้เจริญสติจะไม่มีใครสอนให้เกิดปัญญาขึ้นมาคำถามข้อสุดท้ายการกระทาที่ว่าเาคารพครูบาอาจารย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นอย่างไรบ้างแล้วประเมินอย่างไรว่าลูกศิษย์เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง ก็มีคำโบราณที่ว่าหน้าไหว้หลังหลอกเวลาอยู่ข้างหน้าก็ไหว้กันล้มล้มกลมล้มกลมกาบกันเวลาอยู่ข้างหลังก็ทำเป็นลิงหลอกเจ้า <c oughs> สแสดงว่าไม่ไม่เคารพทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเราต้องเคารพตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าท่านหรือไม่อยู่ต่อหน้าท่านทุกครั้งที่เราคิดถึงท่านเราต้องคิดด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยความไม่ประมาท บดคำถามที่ฝากถามค่ะบางท<อ>ีง <ไป S 2> มันมีคำถามที่อยู่ในหน้าอื่นั้มเข้าไปดูบ้างาก็แบบอ๋อไม่เป็นไรแต่ถามอะไรครับครบการรับราชการหลองพ่อเป็นอย่างทรงครับาเมาื่อวานก็ถามแล้ววันนี้ก็มีอาาทำมิตรเพื่อนกัลยาณมิตรก็ฝากมาถามอีกแต่ส่วนตัวผมนั้น าจากจกาบเรียนหลวงพ่อโดยตรงทุนี้นะครับจริงๆแล้วผมเอาเรื่องบอกเล่าก่อนนะครับบอกเล่าส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบศึกษานะครับตั้งแต่เล็กจนโต ว, ว่าเออเราเกิดมาทําไมนาะเป็นเด็กกันก็ชอบนั่งสมาธินะครับแต่หาจุดๆไม่ได้โดยที่ฐานะยากจนพอได้บวชเรียแล้วก็ตั้งใจว่า คำสั่งสอนพระศาสนานี้เป็นยังไงนอ้อจิงอยากจะรู้เขาเรียกเปรียบเสมือนว่าฝ่ายหัดไถนาใหม่ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็มาศึกษาพอศึกษาแล้วมีปรัชญามีตำราอะไรก็ท่องหมดนะครับอย่างเช่นอริยสัจสทุกสมุทนานิโรธมรรตอะไรอย่างงี้ท่องได้หมดทุกอย่างอิทธบาตทีฉันทะวิทยาจิตตะวิมังสาอะไรอย่างนี้ท่องได้แต่ก็หาจุดคำไม่ได้ จริงั้งใจว่ า, าถ้าเราถ้าเราเป็นมีโอกาสที่จะช่วยศาสนาได้ถ้าเราเกิดมาทุกข์นักก็ตั้งปฏิพัน์ว่าจะช่วยจนนั้นจนนับบัดนี้ได้ทำหน้าที่กัละาณมิตรเป็นผู้นำบุญบ้างเป็นยมวัดบ้างนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งไปเจอศาธรมิกน ด, ดแนะนำมาที่นี่บอกมาหาหลวงพ่อสิอยากหาที่จุดนะครับมีจารบจราของครูบาอาจารย์หลายเรี่ม อ, อ่านแล้ว เหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจนะครับนี่คือความรู้สึกของผมว่ามาเจอหลวงพ่อแล้วอีหนที่ที่ไม่เข้าใจกับตัดได้รู้ได้คือหาที่จุดได้นี่คือความที่ผมได้มาฟังการแสดงธรรมจากหลวงพ่อนะครับนี่คือการบอกเล่านะครับความสวนครับคําถามนั้นกับผมเองนั้นมีหน้าที่เป็นโยมวัดช่วยอนุเคราะห์สองข้อคนสองวันที่ผ่านมานะครับมีโยม ท่านหนึ่งเป็นโยมวัดมันไก่เป็นผู้ถือศีล น, นะครับพอดีแม่เขาเสียไปหลายปีแล้ววันนี้ก็มาด้วยนะก็ฝากเพื่ถามเนี่ถอะว่าสองวันที่แล้วได้ทําบุญหาคือคุณแม่เขาได้เข้าฝันเข้ามาทางแฝงร่างของหลานนะครับว่าเขาเสียไปตั้งหลายปีแล้วเขายังไม่ได้ไปไหนเลยเขายังอยู่บ้านเนี่ย เขาอยากให้พานเนี่ยอทำบุญกับท่านเนี่ยให้หาท่านะก้าวลูกตอนนี้มันจะไปไหนเลยอยู่วัดเนี่ย อ, อยู่ที่บ้านเนี่ยแต่เสียมาตั้งนานแล้วริ้งฝากว่าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับหลวงพ่อนะครับก่ามาถามว่าจิตวิญญาณนั้นยังอยู่ที่บ้านอยู่หรือไม่นะครับก็เราต้องมีมีญาณอย่างทราบเราถึงจะรู้ว่าเป็นของจริงหรือไม่เป็นของจริงถ้าเราไม่มีวญาณอย่างทราบก็เหมือนกับคนตาบอด รเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงรแล้วจริงหรือไม่จริงแต่เราถือตามหลักคําสอนได้ว่าเราสามารถช่วยผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ด้วยการทําบุญอุทิศไปอือย่างนั้นก็ถือว่าถูกเจ้านะครับเขาก็ทําบุญหานะครับและผมก<า>ไปแล้วเราก็จบแล้วเราก็มีหน้าที่เท่านั้นแต่นี่เขาสงสัยว่าให้มาถามหลวงพ่อหน่อยเถอะวันนี้ท่านก็มาด้วยก็มาเป็นประจานะครับบอกว่าอยากจะถามว่าจริงเท็จไหมเน้อที่ว่าที่เสียไปหลายปีแล้ว ก็ยังไม่ไปเกิดอ <calculated S 1> ีกก็ต้องปฏิบัติธรรมเอาไงปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วครับครับสาธุครับสาธุครับอ่าทุกอ่าหมอกัณียาคนนี้ไม่มีคําถามหรอชอบมีคําเล่าคําเล่ามาแฝงในคําถามอาว่ามาก็คือวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความฝันอีกเหมือนเดิม ใกล้ๆสิถือไว้ใกล้ๆอเป็นเรื่องของความความฝันนะคะบักเอิญฝันว่าบักเอิญฝันว่าอยู่ดีๆก็ได้รับเงินจำนวนก้อนใหญ่มาทีนี้พอได้มาปุ๊บก็เกิดความโลภก็คือจะเอาไปอยากได้มากก็คือเอาไปตกลงก็ไปซื้อหวย <laughs> เพราะว่าคิดว่า ถ้าซื้อหวยถ้าถูกหวยเนี่ยก็ได้ต่างถึงแม้ว่าไม่ถูกก็ไม่กระเทือนกับจานวนที่มีอยู่ <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือให้พี่สาวพอให้ไปเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าความโลภมันมากขึ้นมันก็เลยบอกว่าถ้าซื้อเยอะขึ้นโอกาสถูกก็จะมากขึ้นแล้วก็ให้พี่สามารถให้พี่สาวได้มากขึ้นมันก็ยังไม่สะเทือนกับเงินไอ้ไอ้ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ แต่พอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอจะแปลวเงินป้ากล่วว่าเงินถูกขโมยไปหมด <c oughs> เท่านั้นจิตจากที่ปุ๊บมันเปลี่ยนฉับพันเลยกลายเป็นฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยว่าเงินหายหมด <c oughs> อยากได้คืนสับสนวุ่นวายไปหมดเลยมันก็ตรงกับที่รู้สึกว่าไปทวงคืนแต่โจรก็ไม่ให้คืนทีนี้เนี่ยมันก็ มาดูแล้วมันก็ตรงกับที่พร้อาจารย์เคยบอกว่าตอนที่จิตเปลี่ยนจากที่ตอนแรกมาเป็นสับสนฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันตรงกับที่อาจารย์เคยบอกว่าเนี่ยเป็นลักษณะของเสียหลักบังเอิญเสียหลักเป็นเพราะว่าเรามีปัญญาไม่รอบมีมักน้อยแต่จากที่ความฝันเนี่ยทำให้เราเห็นอาการของทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความโลภ จากความเข้าไปยึดว่าของของนั้นเป็นของตัวจึงอยากจะเรียนถามผู้อาจารย์ว่าเราทำอย่างไรเราจึงสามารถละความโลภละความเห็นที่เป็นของของตัวออกจากจิตใจเราได้คะก็ต้องมันเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆมันพิจารณาตายรักอยู่เ ร, ยเรื่อยว่าเงินทองนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงจะจากเราไปเมื่อไหร่จะหมดไปเมื่อไหร่นี่เราไม่รู้ มันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็อยากไปพึ่งมันอยากไปใช้มันไปบวชถ้าไปบวชแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทองไปยอมเป็นเจาไม่เป็นไรหรอกเข้าลงครัววันหนึ่งก็ไม่กี่ชั่วโมงเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่เราจะต้องอยู่วัดที่เราจะได้อยู่วัดได้ วัดเขาก็ต้องคิดค่าใช้ใจ่ายไม่ให้คนไปอยู่ฟรีๆกันงั้นเดี๋ยวคนจะล้นวัดกันพ่อยจวะเราจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินทองเพราะมีเงินมีอาหารเหลือของพระมาให้รับประทานทุกวันมีบ้านอยู่ฟรีค่าน้ำค่าไฟก็ฟรีมีเวลาได้ภาวนาได้เจริญไตรลักษณ์ตลอดเวลาเช่น เปิดเปิดใหมได้ยังเปิดหม่ไม่ได้ยินเสียง <S <S แต่หนูก็มีปัญหาอยากถามหลวงพ่อค่ะเือหนูปฏิบัติพิจารณาความตายอะค่ะแต่ก็ไม่ได้เข้มงวดเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องทำงานคือเวลาจิตจิตไม่ได้ยุ่งกับการงานก็คือพิจารณาความตายค่ะและมีวันหนึ่งหนูฝันว่า หนู่านอนหลับอยู่แล้วก็เหมือนเหมือนมีอะไรมาดึงล่างอ่ะค่ะดึงแล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งพูดออกมาว่าอ้าวจะตายแล้วทําไงล่ะหนูก็เลยว่าเออจะตายแล้วเหรอจะตายแล้วก็ครูบาอาจารย์บอกว่าให้คิดถึงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์แล้วล่างล่างอีกล่า ง, งมันก็ลอยออกไปค่ะแต่ก็รู้สึกว่าสบายมากค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็อุทานขึ้นว่าเออความตายมันทําไมสบายจังเลย อย่างนี้คืออะไรคะหลวงพ่อเพราะว่าเราไม่ยึดไม่ติดเราได้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆจนเราพร้อมที่จะรับต่อความตายเราไม่ต่อต้านพร้อมเสมอพร้อมเสมอตายได้ทุกเวล า, ถ, าถ้าตายได้ทุกเวลาใจก็จะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสุขเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองร่างกายตายแต่ใจไม่ตายใจสุขเพราะใจปล่อยร่างกายใจทุก ถ้าใจทุกข์ก็แสดงว่าใจไม่ปล่อยถ้ายังไม่อยากตายยังไม่ยอมตายใจจะทุกข์มากเหมือนกับคุณหมอที่ฝันว่าเงินหมดแล้วก็ทุกข์ขึ้นมา <laughs> เพราะไม่ยอมปล่อยเงินงถ้าพิจารณาว่าเงินจะต้องหมดไปนี้พอได้มาต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวมันต้องหมดแนะ่ถ้าคิดไว้ก่อนแนละ้วพอมันหมดมันก็จะไม่ทุกข์ อันนี้ไม่ห่วงเลยค่ะไม่ห่วงคนข้างหลังไม่ห่วงทรัพย์อะไรทั้งนั้นเลยค่ะถูกต้องจิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่าหลวงพ่อแล้วมีอยู่วันหนึ่งหนูก็ตากผ้าธรรมดาแหละจิตหนูก็ว่างๆก็มีแบบปัญหาผุดขึ้นมาว่าอ่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหรอเป็นสิ่งที่โหดร้ายเหรอแล้วก็มีจิตหนึ่งบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่โหดร้ายแต่ว่ามนุษย์มองข้ามมันไปค่ะ ไม่ยอมมองมันเพราะกลัวมันความกลัวนี่เป็นสิ่งที่เหดรายกว่าเพราะไม่ยอมรับความจริงต้านความจริงพอเกิดความต้านความจริงก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้ามองความตายอยู่เรื่อยๆมันก็จะจำมันจะไม่ลืมหนูพยายามสอนมันทุกวันค่ะเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายถูกต้องมันจะได้ไม่ต้านมันจะได้ไม่ฮไม่หลงพอไม่หลงแล้วมันก็ปล่อย แล้วมันก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาสุขทั้งเป็นสุขทั้งตายอดีแล้วละ่ะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องความตายนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่อับประมงคลแต่โลกที่มีความหลงนี่กลับไปคิดว่าเป็นอับประมงคลแต่ความจริงนั้นเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะทําให้ใจเรานั้นสงบใจให้เราไม่ทุกข์ดีแล้วละ่ะอ ถูกต้องอเพราะมันต้องใ จ, จพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญอม า, านาโนสติทุกลมหายใจเข้าออกเลยสอนพระอานนท์ถามพระอนนท์ว่าอานนท์วันหนึ่ ง, งเธอพิจารณาความตายสักกี่ครั้งอนนท์ก็บอกว่าสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน<ช>พระพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่ประมาทเธอต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกทาไม่หายใจเข้าก็ตายคิดอย่างนี้ไปแล้วจะไม่หลงไม่ลืมจะได้ปล่อยจะได้เตรียมตัวตายได้แล้วจะไม่ประมาจจะได้รีบทำสิ่งที่เรายังต้องทำคือบุญกุศลที่ยังมีมากกว่านี้ที่เรายังไม่มีเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการทา ธุรกิจอะไรต่างๆที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจลีลณะนะอนุโมทนาอันขอโอกาสถามอีกครั้งนะึ่จะเรียนถามให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายที่บอกว่าเสียศูนย์เป็นเพราะว่าปัญญาไม่รอบตรงความหมายของคำค ำ, คำนี้ศูนย์ก็คือเบขคขาไงเบคข า, าก็คือความนิ่งเฉย ความไม่สะเทือนสะทานกับเหตุการณ์ต่างๆพอเสียศูนย์ก็ออกจากจุดนั้นไปออกจากศูนย์นั้นก็เกิดอาการรักชังกลัวหลงขึ้นมาถ้ามีปัญญารอบมันก็จะรักษาใจให้ตั้งอยู่ในอุบเบกขาตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นมาใจก็จะสักแต่ว่ารู้ไปถ้าเผลอออกไปรักไปรักไปชังเข้าก็จะเกิดความทุกข์กับความวุ่นวายใจขึ้นมาทันที แสดงว่าปัญญาของหมอยังไม่รอบเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ได้มาทั้งทั้งที่เป็นความฝันแต่ความฝันนี้มันบอกมันบง่งบอกถึงสภาวะจิตของเราว่าเราจิตของเราเป็นอย่างไรมันจะมันจะมันจะฟ้องในตอนที่เราฝันเราหลอกตัวเราเองไม่ได้เราจะรู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรในช่วงที่เราฝั น, นเออเดี๋ยนี่ไม่ไม่กลัวใช่ไหม ูาจารย์บอกว่าจะไปเช่อวันว่าจิตเราก็ต้องทดสอบมันไปเรื่อยๆอย่างที่โบราณก็พูดว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆไม่ใช่ครบกันครั้งสองครั้งแล้วก็คิดว่าดีไปหมดเดี๋ยวไม่กี่วันก็อาจจะพลิกเป็นหน้ามือเป็นหนังมือไปได้ดังนัต้องระมัดระวังอย่าประมาท ให้เตือนสติให้มีปัญญาอยู่ถ้ามีปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วแสดงว่าไม่ประมาต้องระลึกถึงอ น, นิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเสมอไม่มีอะไรจะเหมือนกันทุกวันวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกอย่างไปจากหน้ามือเป็นไปหลังมือเลยก็ได้เคยรักเคยรักกันขนาดไหนเกินกินกันวันพรุ่งนี้อาจจะกอดจะเกลียดกันก็ได้นั้นต้องระมัดระวังอย่าประมาท มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมอ่าเชิญไปไหอันนี้เป็นคำถามคาถามเฉะพาะหลวงพ่อที่จะตอบได้นะครับเพราะว่าเท่าที่มาดูเนี่ยนะหลวงพ่ออยากจะทราบว่าหลวงพ่อมีเคล็ดลับยังไงในการดูแลสุขภาพนะครับไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วย จะได้เอาไปใช้บ้างครับสาถูกครับก็พยายามยุ่งกับญาติโยมไม่น้อยที่สุดึังมีเวลาจํากัดไงพบกันได้แค่สองเวลาเวลาเช้าที่ศาลาฉันแล้วก็เวลาบ่ายที่ศาลาแสดงธรรมนี้ก็จะขอเพียงเท่านั้นที่กุฏิก็จะเขียนป้ายบอกว่าขออภัยไม่รับแขกที่กุฏิถ้าไม่มีขอบมีเขตแล้วร่างกายมันจะได้ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาพักผ่อน ไม่ได้มีเวลาออกกาลังกายต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิต้องพักผ่อนหลับนอนต้องอาบน้าอาบท่าต้องทําอะไรจิีปาถะถ้ามีญาติโยมมาหาตลอดเวลานี้มันจะไม่มีเวลาสําหรับการดูแลรักษาร่างกายอดีผมเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านก็ลักษณะที่พระ อ, อาจารย์ว่านะครับไม่มีเวลาพักผ่อนก็เลยสุขภาพร่างกายจะไม่ค่อยดี ครัท่านก็คงจะมีความเมตตามากท่านแล้วก็ท่านก็ไม่กังวลกับเรื่องสังขาของท่านท่านอาจจะท่านคิดว่าท่านมีสังขานไว้เพื่อเมตตาสัตว์โลกอันนี้ก็เป็นกรณีของท่านแต่ละองค์ท่านก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่จริตแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละท่านที่สร้างมาบางท่านอาจจะมีทานบารมีมากเมตตาบารมีมาก ก็ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายของท่านบางท่านก็มีอุเบกขาบารมีมากก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครเท่าไหร่บางองค์ท่านไม่เทศไม่สอนก็มีบางองค์ท่านก็พูดคำสองคํากับกุฏิล้วนั้น <c oughs> เรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องที่ผิดทุกถูกเพราะว่าใจาของท่านนั้นไม่มีอะไรใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ แต่เรื่องของการปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆนั้นท่านก็ปฏิบัติตามความเหมาะสมกับสภาพจิตของท่านหรือบุญบา ร, รมีของท่านที่ท่านได้สะสมมาสาธุกรับหลวงพ่อสรุปว่าปัญหาวันนี้ก็หมดแล้วเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพิจิสรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ